เราก็ต้องอวัดแล้วใช่ไหมครับวันนั้นป้องกันตรงนี้เราก็ไปอยู่ใต้ลมนะอาหารทิศทางที่ดีเกิดไปตดใส่ท่านนะพัดแล้วเรามีการบ่นนะเอ้วันนี้เป็นอะไรตรดดีแล้วกันผมอดอ ด, อดกันๆนะโดนยามาหาน้อมเข้าไปมั้งล้วองนี้ไม่ใช่นอฮะอ้าวทีนี้ท่านบอกว่าถึงไปยืนบอกในนี้ทีนี้อ้าวถ้าว่าไปถึงนะ เห็นท่านยืนอยู่ต้นนี้บ้างต้นนู้นบ้างคืออยู่ทางทิศตะวันตกสิบองค์ไปอยู่ทางโน้นอีกสิบห้าองค์มาอยู่ทางโน้นยี่สิบองค์แตกแตกกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราจะทํำยังไงท่านบอกว่าพึงไปในในที่ที่ท่านยืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มครับบอกต้องบอกให้ครบอีกด้วยนะครับเว้นสะกองค์หนึ่งก็ไม่ได้อีกเว้นองค์นึงเกิดแล้วพอท่านเข้าไปรวมกันแล้วเราเลยไม่รู้ว่าองค์ไหนบอกแล้วองค์ไหนยังไม่บอก มีองค์หนึ่งผ่านมาเกิดไม่แน่ใจก็องค์นี้มาเคยบอกเลยอย่างมะเอ๊ะอย่างนี้มันทำให้เกิดความสงสัยเพราะฉะนั้นบอกเวลาไปไปแล้วก็ต้องบอกใชให้หมดเพื่อสิ้นความสงสัยไปเลยนะครับแล้วถ้าไม่บอกอะเป็นไงถ้าเกิดมีองค์นึ่งไปไปกันเห็นกันแล้วครับหรือ ร, รู้แล้วว่าเป็นพระแต่บอกแล้วขาดไปองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งยืนกระเด็นกระเด็นอยู่องค์เดียวเลยไม่ได้บอกท่านบอกว่าเป็นไงจงใจแล้วกันเนาะจงใจไม่บอกไปในนี้สันจิตะ อนาโรเจ เ, เจนตัสารติเฉโทจะโหติเป็นรัติเขตกับปริวารศิการพิจูพูไม่บอกนะครับไม่บอกคือบอกไม่หมดหรือไม่บอกไปแล้วไม่บอกกคดีไปแล้วบอกไม่หมดเหลือไว้อย่างนี้รัติเขตครับราตีนั้นั้นนับไม่ได้วัฏเพเทจะทุกขตงังเป็นวัฏเป็นทุกกฎเพราะวัฏเพยด้วยคือไม่เอื้อเฟือ ข้อวัดที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ว่าต้องบอกไม่เอื้อเฟื้อต้องปรับอวัตทุกดนะครับถ้าแปทำตัวอทำทำข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เสียไปวัดแตกพุทธเจ้าอนุญาตไว้เธอต้องบอกพิกปริวาสิกะหรืพลิกสุภูปพฤฒวัดทั้งหมดต้องบอกเว้นไม่ได้เลยสักองค์เดียวไม่ใช่ว่าองค์นี้เออองค์นี้เป็นธรรมกถึกนะไม่ต้องบอกหรอก ถึงมาประพฤติว้ก็ไม่ต้องไปบอกใครไม่ไม่มีเว้นเลยสักองหนึ่งพระเจ้าไม่เว้นเลยทุกองค์ต้องบอกนะครับแล้วต้องบอกแก่ทุกองค์นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัตถะเพศคือไม่เอื้อเฟื้อข้อที่พระเจ้าอนุญาตไม่เอื้อเฟื้อข้อที่พระเจ้าห้ามนะครับไม่ใช่ว่าพอวัตถเพศปุ๊บเราก็นับวัดไม่ไม่ใช่ครับไม่เอื้อเฟื้อในที่นี้คือไม่เอื้อเฟื้ออาการที่ไม่เอื้อเฟื้อคือเสียไปวัดที่พระเจ้า อนุญาตก็ดีห้ามก็ดีเสียไปนะครับเสียไปอย่างนี้เป็นอาวัตทุกกฎเพราะไม่เอือเฟือนะครับไม่เอืดเฟือไม่ทําตามแล้วกันไม่เอือเฟือเดี๋ยวบางทีเนรงงอีกเนรชันงงว่าไม่เอืดเฟือเป็นไงเป็นไงมันแบบไม่ทําตามเออไม่แบ่งปันกันกินนี่ภาษาไทยไม่เอือเฟือเอเอเนนชานรู้สึกเข้าใจดีนะ อ่าต่อไปอาทะวิจินันโตเอกัจเจนะปัสสติถ้าว่าถ้าว่าหาแล้วครับไปไปแล้วก็หาไปบอกตรงนี้ไปบอกตรงนู้นไปบอกตรงนู้นหาแล้วครับหาแล้วพระข้าท่านบอกว่าท่านมาอยู่กันร้อยหนึ่งเราบอกไปเก้าสิบเก้าองค์เออองค์มหายไปไหนหาแล้วครับแต่หาไม่เจอนะครับอาทะวิจินันโตเอกัจเจนะปัสสติหาแล้วแต่บางพวกหาไม่เจอนะครับ รัติเฉทโวะโหติเป็นรัติเขตอีกหน้าหาไม่เจอนะครับรู้อยู่ว่ามีแต่หาไม่เจอดันไม่รู้ไปลบอยู่ตรงไหนหาไม่เจอครับเป็นรัติเขตคือราตีนั้นต้องปล่อยเสียไปลาตินั้นต้องปล่อยเสียไปนะทุวัตตะนะวัตตะเพทะทุกกตังไม่เป็นทุกกดเพราะไม่เอื้อเพื่อเอื้อเพื่ออยู่แต่แต่ออะไรหาไม่เจอบอกอครับตั้งใจว่าจะบอก ไม่ใช่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คิดว่าจะไม่บอกคิดว่าจะบอกอยู่แต่หาไม่เจอหาไม่เจอแล้วไม่ใช่ว่าลาตีนั้นก็ใช้ได้ไใช้ไม่ได้คือต้องปล่อยให้มันเสียไปต้องปล่อยให้เสียไปเสียไปหนึ่งวาตีหนึ่งวันนะครับต่อไปนะครับอาคันตุกะสะอาคันตุกะสาติเมื่อคืนนี้เมื่มอคืนนี้เราเป็นอาคันตุกะไปใช่ไหมครับไอ้ที่ที่ผ่านผ่านมาที่บอกก็เนี่เราเป็นอาคันตุกะไปแล้วก็ต้องเชียวไปมอกบอกบอกบอกให้หมดทั้งวัดเลยนะครับหมดหมดทั้งที่อยู่นั้น จะเป็นวัดกด็ดีที่ไม่ใช่วัดกด็ดีที่ท่านอยู่กันแล้วกันนะครับต้องบอกให้หมดทุกคนทีนี้อาคันธุกาสาติอตัสนน์วัฒนวิหารังอาขัดสาพิเอกัสวาหูนางว่าอุตตนเนยเนวาโรโชจิจพังถึงเราอยู่วัดเราแต่ท่านมากันเราก็ต้องบอกท่านบอกอาคันธุก า, าทั้งหมดเลยครับต้องบอกทั้งหมดไม่บอกไม่ได้อีกนะครับเหมือนกันกันกบเมคืนนี้ไม่บอกไม่ได้ ถ้าไม่บอกรติเจท้าวัตตะเพทาปิเอทะวุตตะเยเนวะเวทิตภาพึงรู้การขาดราตีและการต้องทุกขก์เหมือนกับที่ที่เราเป็นอาคเราเป็นอาคันตุกะเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันนะครับตเจทวะนะครับอมีมี ม, ม, มีมีข้อคิดขึ้นมาอีกว่าเจอาคันตุกามูตังวิสมิตตะวะวะอวิสมิตตะวะวะเออวิสมิตตวะอวิสมิตตวาเอวะวาวิหารามัตเฉนะคัดฉันติ ท่านบอกว่าถ้าว่าอาคันตุกะเนี่ยมาหลายไอ้องค์ก็ดีน้อยองค์มาองค์ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กำหนดนะครับมีอาคันตุกะมาท่านมาพักคู่เดียวแล้วก็ไปหรือท่านมาแล้วไม่พักเลยเข้ามาในวัดหนึ่งครับเข้ามาในเขตวัดแล้วกันไม่ใช่นอนเข้ามาในเขตวัดพักคู่หนึ่งแล้วไปก็ดีเข้ามาแล้วเดินผ่านไปเลยก็ดีไม่ได้พักตัเอเตสามปีอารโรจะจําังปริวาศิกะภิกษุหรือผู้ประพฤติวัดอยู่ต้องบอกกับภิกษุเหล่านั้นนะ่ะ กับที่ผ่านมาพักก็ดีไม่พักก็ดีต้องบอกทั้งหมดนะครับต้องบอกทั้งหมดเลยท่านจะพักหรือไม่พักไม่เป็นประมาณขอให้โฉบเข้ามาเถอะต้องบอกนะครับในวัดของตัวเองครับในช่วงนั้นเนี่ยที่อาคันตุกาเข้ามานั้น่ะบริบาลศิการนั้นไม่ได้ออกไปธุระที่อื่นครับแต่ทีนี้กรณีที่ท่านออกไปธุระที่อื่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินด้วยตรงนี้นะครั บ, บสเจตัสะอาชา น, านชันตัเสวะคัจฉันติ ถ้าว่าไม่รู้นะครับถ้าว่าอาคันธุกะไม่รู้อาคันธุกะเอ้ะถ้าว่าปริวาสิกะภิกษุไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านมานะครับไม่รู้าอาคันธุกะามาอาคันธุกะนั้นไปแล้วแล้วจึงรู้ในภายหลังอายันจะปนะขะตะกาเลชาณติรู้ในเวลาที่ท่านไปแล้วคือมีคนอื่นบอกมีคนอื่นมาบอกมีพระบอกเนรบอกโอ้โหเมื่อคู่นี้มีพระแว่ไปแล้วสององค์นะครับผ่านไปที่นี่มานี่แว่รถสมานเลี้ยวกลับไปเลย นะครับไม่ได้พักเลยผ่านไปแล้วมารู้ที่หลังนะครับรู้ในขณะที่ท่านไปซะแล้วคันนาวาอาโรโอเจตพังต้องรีบตามไปบอกเออมารู้ที่หลังต้องรีบตามไปบอกทีทําไงสามปาปุนิตุงอสักโกนตัดสระรัติเฉโทวะโหติถ้าไปไม่ทันไม่สามารถจะตามไปบอกได้คือท่านเลยไปไกลซะแล้วตามบอกไม่ทันหาไม่เจอปลาไม่ทันนะเป็นรัติเฉนครับไไม่ได้ครับถึงไม่รู้ก็ยังเป็นดู ใช่ไหมมารู้ทีหลังท่านไปใชแล้วก็ยังเป็นนะครับเพราะฉะนั้นลาตีนั้นใช้ไม่ได้รับน้ำไม่ได้ณวัตเพเททุกกตะังแต่ไม่เป็นทุกกฎเพราะวัตถะเพศเพราะตามแล้วหรือไม่ได้ไม่ได้คิดจะไม่บอกนะครับตามแล้วพยายามแล้วนะครับไม่เป็นทุกกฎเพราะวัตถะเพศยังเอื้อเฟื้ออยู่แต่ไม่สามารถนะครับตรงนี้ไม่สามารถบอกหาไม่เจอตามไม่ทันมีตัวอย่างครับอ้าวเธอไปเจอมานู่นครับ อาจารย์สมนึกอาจารย์ยุ่งนาโถวัดบากไมลัยท่านบอกว่าอ่าพระที่มาเนี่ยไม่ได้มาหาเราผู้ประพฤัดไม่จำเป็นต้องบอกเอออย่างผมเป็นเจ้าว่าที่เนี่ยพวกท่านเข้าก็เข้าไปจีเพื่อนผมมาหาผมอ่ะอไม่ได้มาหาท่านอไม่ได้มาหาพวกท่านท่านจะบอกทําไมอย่างเนี่ครับอท่านท่านว่าอย่างนี้ก็ท่านวางอย่างนี้ไม่ต้องบอกเอออย่างนี้เขาเรียกว่าพูดหมู่มู่นี่ ก <g ül> นนีเขาบอกแม้ไม่รู้ไอเเ อ, เอพาคันธุกะจําเป็นเลยต้องมาหาเราไม่จำเม็นอาคันธุกะคือผู้ผ่านมา<ช>เรียกว่าอาคันธุ ก, กะเห็นแล้วว่ารู้ว่านั่นเป็นพระได้ยินเสียงแ ล, ล้วรู้ว่านั่นเป็นพระไม่ใช่ได้ยินเสียงพูดโดยบางทีได้ยินเสียงพัดเสียงลมง<อ> ย, ย่มงงบางทีมีล่มใบไม้เ่งแใบตานใบตาน กันแดดมาลมพัดีตๆท่านให้เหตุผลน่าฟังครับอ่ า, อาครับท่านบอกว่าที่พระผู้เจ้าให้บอกเพราะอะไรอืให้บอกเพราะว่า bounded. พอท่านมาแล้วท่านเดี๋ยวท่านจะมาทําสามีจิกรรมหรือว่าท่านจะต้อนรับท่านอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกก่อนให้ท่านประพฤติกับเราได้ถูกต้องอืตอนนี้ท่านไม่มาหาเราไม่จําเป็นต้องมาให้เราเ อ, อไม่ได้มาหาเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปต้อนรับท่านอะไรอย่างเง้วจะไปบอกท่านทําไม เวลามีอาคารดูกะมาเราเราไม่ได้ทํากันแล้วแสดงว่าเราขาดสามิจิกรรมไปแล้วครับการนั้นเจ้าเจ้าของวัดไปแล้วครับอย่างเราไปอยู่วัดของของท่านาเนี้่ยก็ถ้าท่านเป็นเจ้าเจ้าาวาดัดท่านก็ต้อนรับไปหน้าที่ความจริงนยเราถ้าเราไปอยู่กับท่านท่านก็เป็นอาจารย์เราแล้วใช่ไหมอยู่อาศัยเราต้องทําหน้าที่ของสัตวิที่าศัยนียต่ต้องต้องดูแลช่วยเหลือลอาจารย์ต้องไปต้อนรับด้วยหาน้ําหาท่ า, าอีกทีเนี้ยไม่ทำตรงนี้ต้องัาทุกดีก่ะ มีเนนทำอ่ามีเน้นทำก็เราก็ต้องไปดูแลอีกอะหน้าที่ของเราไยหน้าที่ของเน้นๆก็ทำหน้าที่ของเรา เ, น เ, นาเราก็ทําใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะมาหาเราหรือไม่มาหาเราอาคันธุกะ ข, ขอให้เป็นพระเลยครับหมาไม่เอาท่านพูดคงคิดว่าหมูหมากระไก่ก็ากอาคันธุกะกระมังไม่ได้คิดว่าพระอย่างเดียวถ้าเกิดหมามาหาเราเราไม่ต้องบอกก็อาคันธุกะงั้นแย่เลยไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้หมายงั้น จะมาหาใครก็แล้วแต่เข้ามาในอาวาสนั้นนะครับมาในในอาวาสนั้นเราต้องบอกครับต้องบอกไม่บอกไม่ได้นะครับไม่บอกเป็นวัฏเภทนะครับไม่บอกเป็นอบัต ท, ทุกกฎอย่าไปพูดว่าวัฏเพศเลยไม่บอกเป็นทุกกฎเพราะไม่เอือเ้อเฟื้อที่พระุทธเจ้าอนุญาตไว้นะครับข้อที่อนุญาตอนุญาตให้บอก ถ้าตามบอกไม่ได้เป็นรัติเขตไม่เป็นรัตต่วัตตะเพศไม่ไม่ไม่เป็นรัติเขตไม่เป็นทุกข์กอดแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าพอท่านมาแล้วพอท่านออกไปแล้วก็แล้วมีมีคนบอกว่ามีพระมาก็ไม่คิดจะตามอ่ะอย่างนี้เป็นรัติเขตด้วยเป็นทุกข์เพราะเพราะไม่เอือเฟื้อด้วยไม่พยายามคือไม่ไม่ไม่ไม่ใส่ใจโอ้ยงั้นเดี๋ยวเ๋ยวท่านอยู่ตรงไหนเนยอย่างนี้พยายามแล้วแค่นี้ก็พยายามแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้พยายามแล้วครับ เน้นบอกโอ้โหไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหไม่ทันซะแล้วอย่างี้ไปสิบนาทีแล้วโอ้ไม่ทันซะแล้วอย่างนี้ครับยพยาพ ย, ยามแล้วพยายามแล้วคือสอบสวนแล้วมาตอนไหนมาตอนไหนอะไรอย่างนแค่นี้ก็พยายามแล้วนะมันไม่ใช่ยากินเนีความคิดว่ามันไม่ใช่ยากินเมีความคิดแล้วโอ้ยเ้ามันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไหมเออเอออย่างนี้วัดประเภทแล้วครับอย่างนี้วัดประเภทแล้วครับเพราะไม่เอเพื่อเชี่งหัวมันนะการมาพิดูนิพานอย่างเงี้ยาไปทาเป็นวัดประเภทอย่างเงี้ย วัตีเกดววเนด้วยวัดเพีด้วยวัดเพีคือบฏิวัติเกีย่ยไปเลยต้งเอือใหม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เอื้อเพื่อครับไม่เอื้อเพื่อเพทะ่าทำทำวัดที่พระเจ้าอนุญาตให้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่คือไม่ได้ทําตามตรงที่ห้ามก็ไม่ทําตามไม่ทำํำตามที่ห้ามนั้นตรงนี้อนุญาตก็ไม่ทําตามที่อนุญาตนั้นพูดง่ายวัดมันบกพรองไปใช่ไหมครับบกพรองไปอาจารย์ครับเดี๋ยววกมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงที่ แต่แรกก่อนที่ว่ามีผ้ามาในละแวกนั้นน่มามากใช่ไหมครับครั บ, รบเราเป็นปริวาสิการประพฤติอยู่ตรงนี้ท่านอนุญาตให้ไปบอกแม้ในที่นั้นคร<ห>ับใช่ไหมหหทีนี้การไปบอกในที่นั้นเนี่ยบางทีรูปหนึ่งอยู่นู้นรูปนึงอยู่น่นรูปหนึงอยู่นู้นนะครับอืมอืมทาไมนะครับเราไม่ไปนิมนต์ท่านมารวมกันอ่าเราก็มาบอกที่เดียวไม่ได้ทําไมเราต้องไปบอกรูปนั้นรูปนั้นรูปนั้นรูปนั้นไปครับอืมอืมเราก็ไม่เจอนะครับว่าต้องไป นิมนประกาศตามมารวมกันแล้วก็ต้องบอกที่นี่ไมไม่ ไ, ได้ไม่ต้องไปทําให้ท่านลําบากครับเราต้องไปเองเราต้องไปถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปแล้วครับเน้นเน้นช่วยช่วยทีเถอะไปนิมนพระมาเอ้ยบอกไว้ก่อนช่วยไปมีมนพวกนู้นมาทีเดีเดี๋ยวผมจะบอกวา่าก็ทําอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นไม่พระเจ้าไม่ต้องอนุญาตให้ไปแล้วใช่ไหมครับหรือเห็นพระที่ที่เขามาพักกันที่หมู่บ้านนู่นเนี้ย ผ่านแวะมาแล้วก็เลยเราก็ถือโอกาสบอกแล้วช่วยช่วยกลับไปแล้วช่วยบอกสินนะครับผมมาพืติวัดอยู่ช่วยมากันทีเดี๋ยวผมจะขอบอกวัดหน่อยไม่ได้ครับไม่ไม่ใช่ไปให้ทันเอื้อเพื่อเราอย่างนี้นี่คือการจัดแจงแล้วครับจัดแจงการทําหน้าที่แล้วมาให้ไปนีมอนมอนมาแล้วก็อย่างนี้นี่การทําหน้าที่แล้วครับทําไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้ต้องไปจัดแจงเองไปจัดการเองไปทําเองอย่างเช้ามาเราเก็บวัด ตอนเย็นก่อนเราจะไปเราประพฤติแต่ยังไม่ได้สมาทานเราก็ใช้ว่าว่าว่าไมว่า ไ, ม, ไม้ช้าช้ชา้ชาชา้ตอนเช้าเราเก็บอ่าเช้าเก็บตอนเย็ น, ยนจะสมาทานประพฤติอ่าจะจะสมาทานอ่าตอนนี่ผ้าทั้งกันหม้อไม่ครบก็บอกท่านเนให้ไปตา ม, ม, มหรือว่าใช้พระให้ไปตามอืมอมแบบนี้ใช้ได้ไหมครับพันยิ่งไม่ดีครับไม่ดีพ่อยไม่ได้สมาทาน เป็นปกกาตอ๋อถ้าใช้ตอนตอนนั้นเราอ่อนกว่าแกกว่าปากกาตตะต้องเรียงลําดับอีกด้วยไหมถ้าถ้าเราแกกว่าเราใช้องค์ที่อ่อนกว่าให้ไปตามให้ไม่ใช่องค์ที่ถูกตามองค์ที่ถูกตามแกกว่าเอออ่อนกว่าได้แกกว่าได้อ่าอจะเอายังไงถ้าเป็นอันี่แก่นี้เราควรไปหาครับเราควรไปหาเราควรไปหาเพราะฉะนั้นที่ที่ที่แกกว่านี้เราควรไปหาจริงๆแล้วเขาให้เราไปในที่ของท่านของท่านของท่านถ้าท่านรวมกัน เดี๋ยวเดียวเขาจะมีเพราะฉะนั้นควรบอกในเวลาอุโบสถหรือบวรณาเพราะพระมารวมกันพระมารวมกันง่ายไม่ต้องเที่ยวเดินมากๆหมายความว่าอย่างนั้นปฏิบัติไม่ต้องบอกทุกวันครับเพราะฉะนั้นควรบอกในสมมติเวลาเราขึ้นวันแล้วเราก็หยุดไว้ก่อนพอถึงวันอุโบสถนะเอาเลยทีเดียวเลยพูดเดี๋ยวหมดเลยสมมติถ้าเกิดอยู่กันเยอะๆเห็นไหมครับทีเดียวเล ย, เ ย, เลยไม่ต้องไปเที่ยวเดินลําบากหมายความอย่างนั้น อทีนี้ต่อไปนะครับเยปีอันโตวิหารังอุปวิอุปะอัปปวิสิตอัปปวิสิตวะอุปจารราศีมังโอกรมิตวาคัดชันติอายันจะเนสังฉัตตะสัตถังวาอุกาสิตะสัตถังวาคิปิตะสัตถังวาสุตวาวะอาคันตุกะภาวังชาณติเขาบอกว่าถ้าว่าอาคันดุกะเนี่ยบางพวกมา ไม่ได้เข้ามาในวัดหรอกมาในอุปจาราวัดคือสองเล่ดุบะแล้วเฉียวเฉียวไปเชียวเฉียวไปแต่เราแต่ปริวัติกะผู้ประพฤติวัดเนี่ยจําเสียงได้ยินเสียงล่มหรือได้ยินเสียงไอได้ยินเสียงจามนะครับแล้วรู้ว่าเนี่ยพระรู้ว่าเนี่ยเป็นอาคันธิ ก, กะรู้ครับได้ยินเสียงล่มล่มพระไม่เหมือนล่มคารวะใช่ไหมสมยก่อนไง ร่มอะรักกันแดดได้กันฝนได้ไบตาลใบตานอยู่ห่างสองเล่ตุบาทหรือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ห่างเข้ามาในสองเล่ตุบาทในอุปจาระอุปจาระวัดอุปจาระวัดอุปจาระวัดไม่ใช่อยู่ห่างสองเล่ตุบาทเลยเลยใกล้กว่านั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ในในในอุปจาระวัดอุปจาระวัดก็คือสองเล่ตุบาทใช่ไหมครับแล้วได้ยินได้ยินเสียงล่มก็ดีเสียงไอเสียงจามแล้วรู้ รู้ว่าเนี่ยอาคันดุกคือรู้ว่าเนี่ยพระครับรู้ว่าเนี่ยพระอย่างนี้ต้องไปบอกครับรู้อย่างนี้แล้วต้องไปบอกนะครับต้องไปบอกคันดวาอาโรจะจับพังพึงไปบอกนะครับถ้ารู้อย่างนี้พึงไปบอกแล้วถ้าเกิดได้ยินน่ได้ยินเสียงจามเออสาคัญว่าเป็นพระไหมเออสําคัญว่าเป็นคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ใช่พระเนี่ยว่าเออเสียงจามนี่เออไม่ใช่พระ อย่างนี้ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ในที่นี้ท่านบอกว่าต้องรู้ด้วยว่าเป็นอาคาันุกะคือรู้ว่าเป็นพระด้วยใช่ไหมครับเพราะเสียงลม่มเนี่ยฟังได้ง่ายต่างกับคนแต่เสียงจามเสียงไอนี่ใช่ไหมครับ อ, อ, อ, ร อ, อ่าใช่ต้องออกไปดูครั บ, รบใช่ใช่ต้องออกไปดูออกไปดูแล้วก็รู้ว่าพระหนี่งครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องบอกแล้วครับในสองเล่ดุบาทในในในเขตอุปจาราศีมานั้นต้องบอก ถึงท่านผ่านแล้วเลยไปต้องตามอีกงันต้องตามไปบอกอีกงันในตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยฟังฟังรูแล้วเนี่ยเกิดเผื่อว่าท่านอยู่ห่างจากสองเลยสองเ ล, งเลตุบาทไปนะครับซึ่งถ้าจะถือว่าอยู่ป่าจาก อ, อยู่อยู่ป่าจากท่านแล้วใช่ไหมครับแต่ทนี้ถ้าท่านเลยออกไปสองเลเตุบาทแล้วแต่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีถึงครับอย่างนั้นเดี๋ยวถึงอ่าเดี๋ยวถึงคือคือตรงนี้ส่วนหนึ่งก่อน ตรงนี้ยังห ย, ยาบอยู่เดี๋ยวจ ะ, ะค่อยละเอียดขึ้นไปทีละน้อยนะครับอันนี้ท่านก็บอกว่าต้องไปบอกนะครับอย่างนี้อย่างนี้ต้องบอกอ่าถ้ารู้เวลาที่ท่านไปแล้วนะครับตามไปถ้ารู้ในเวลาที่ไม่ได้ทันไปในขวัญฉากมาแล้วก็ไปแล้วรู้เวลาที่ทันไปน่ะต้องตามไปบอกถ้าไปไม่ทันราตีนั้นเสียเหมือนกันเป็นรัติเฉดเหมือนกัน แต่ไม่ต้องทุกข์กดเพราะวัตเพศนะครับพ se, เพราะวัตถ์เสียไม่ไม่ต้องทุกข์กดเพราะไม่เอึดเพื่อไม่ไม่ต้องทีนี้มีพระอาคันตุกะบางองมาในเวลากลางคืนนะครับมาในเวลากลางคืนแล้วก็ไปเลยไปในเวลากลางคืนนั่นแหละมาในเวลากลางคืนแล้วก็ไปในเวลากลางคืนพิชิุอาคันตุกะนั้นทำรัติเฉดคือทําราฏีของของผู้ประพฤติวัดนั้นให้เสียไปครับให้เสียไปทีนี้ท่านมาบอกว่า อัญญาตัตาปะนะวัตตาเพทะทุกกระตังนาทิแต่อาบัตทุกกฎเพราะไม่เอื้อเพื่อวัดไม่มีแก่เธอเพราะเธอไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านมาไม่ต้องทุกกฎนะครับแต่ลาตีนับไม่ได้เสียไปไม่รู้ก็เสียนะครับนี่ไม่รู้ก็เสียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้่าที่ท่านรถบอกว่ามีอาจารย์ท่านกล่าวว่ามีอาจารย์องค์หนึ่งให้ความเห็นว่า ท่านไม่ได้มาหาเราแล้ไม่ต้องบอกนี่ไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมครับก็ดี่เรายังไม่รู้เลยว่าท่านมาก็ยังเสียก็ยังเสียเพราะฉะนั้นไอ้ที่ท่านมาหาเราไม่มาหาเราไม่ได้เป็นประมาณเลยขอให้มาเถอะแล้วถ้าเราไม่บอกเสียหมดรู้ไม่รู้ไม่รู้เสียหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่บอกอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นนี่ท่านท่านไม่ได้มาหาเราแล้วเราไม่ต้องบอกนี่รัติเกตเพราะ การบอกกับอาคันโตกะนี่นั่นก็จะไม่ค่อยมีอ่ะเนาะแล้วอที่ข้อไปบิณธบาตเองครับอาจารย์ยุ่งเองนั่นแหละครับฮะท่านคือชื่อเล่นท่านชื่อยุ่งอ่าอ่าอ่าท่านก็บอกว่าพระ บ, รบาลีว่าต้องบินธบาตฉันเองอพระ บ, รบาิีว่าไปเองเลยครับไปสุดลูกของลูกตาเนี่ยไปบินธบาตตามบ้านโยมไม่มีพระปกติไปด้วยเลยแบบนี้ได้ไหมอืม ไม่เก็ บ, บน่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเจอพระต้องบอกนะครับไม่เจอไม่เจอคงคงคงคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งตรงนี้รครับครัเพราะเวลาครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีมีข้อเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เดี๋ยวข้อนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไเดี๋ยวคงจะมีข้อเปรียบเทียบนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะละเอียดขึ้นไปทีละนิดนะครับต่อไปนะครับต่อไปตรงนี้หน่อยยังไม่จบนะครับข้อ น, นี้ อย่างอย่างนี้ต่อไปอหน่อยสเจอาชานิตวาวะอภานังกรติถ้าเธอไม่รู้นะครับเธอพอพอพระผ่านไปอย่างนี้แล้วไม่ลาติเสียไปเสียไปเสียไปนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าพระมาพระมามาแล้วท่านก็นเลยไปแต่องค์นี้ไม่รู้องค์มาพุทวัดไม่รู้เมื่อเธอถ้าเธอไม่รู้อย่างนี้แล้วทําอภานไปนะทําอภานกรรมไปอาคตังเอวะโหติอภานกรรมนั้นไม่เป็นอันอภาน อภารนั้นยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ออกอาบัติแสดงว่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายเลยอยู่บริวารไม่ใช่จะให้มันบริสุทธิ์ได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆเหมือนเห็นหมูๆเลยอย่าครับถึงถึงเนื่องมานะครับแม้ไม่รู้ว่าเอะประกาศอภิกษุเข้าผ่านเข้ามาในวัดก็ดีในอุปจาราวัดก็ดีเราเราต้องรัติเขตแล้วคือขาดลาตีไปแล้วใช่ไหมครับถึงไม่รู้อย่างนี้ เราก็มีความสําคัญว่าเราอยู่ครบแล้วปริวตัติขอมานัดใ น, ขนาขณะประพฤติมานัดกับไอปริวัติเหมือนเหมือนกันสมมติเราไปเป็นตอนไหนตอนใดตอนหนึ่งลาตีขาดไปตอนใดตอนหนึ่งแล้วเราก็ขออภานกับสงฆ์สงฆ์ให้อภานอภานกรรมนั้นไม่เป็นอันธรรมคือยังไม่ชื่อว่าทําอภานเพราะตอนนั้นเธอยังประพฤตนะิไม่ครบนะครับไม่ครบไม่ครบลาตีมานัดสมมติเราตอนปริวาติไม่ครบ มาขอมานัดประพืชมานัดครบเราก็ไปอภานก็ชื่อว่ายังไม่ได้อภานประพืชมานัดไ อ, อปฏิวัติมาครบแต่ในขณะประพืชมานัดเกิดมีพิธิเราอยู่สักสิบลาตีพิกิสุพรรณใบผ่านมาซะสัห้าลาตีนะครับแต่เราไม่รู้ไม่ได้บอกมันเลยเสียไปห้าลาตีเหลือห้าลาตีอย่างนี้เราขออภานใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับใช้ไม่ได้กรณีวัดเราเนี่ยอยู่ถนนอย่างนี้ยออื ถึงสองเลตุบาทไหมครับโอ้โหท่านฟังไปถึงครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงครับ้อยห้าสิเมตรนี่ครับร้อยเท่านฟังถึงไหมผมว่าน่าเออผมไม่ถึงแต่กลางคนหน่าจะถึงผมผมผมฟังกัท่านเสรดตรงนั้นนะตุ้หนึ่งไอตอนนั้นที่มีไอท่านมงคลก็ฟั ง, ง, งแล้วนะหรือสมชายไม่รู้ที่มีก้อนหินอย่างนี้อยู่ครับสุดแรงเกิดยังไม่อยากจะถึงเลยครับทีหนึงทีหนึ่งทีหนึ่ ง, งแล้วจะเอาเอาอาการคนมาเอาคงเลยนั้นไม่เลยเราไปไม่เยอะนะ เพราะันตรงนี้หมดสิทธิ์ถึงแล้วครับไม่ถึงหมดสิทธิ์ถึงครับถ้าขี่รถผ่านไปก็ไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมันจะมีต่อไปว่ารู้หรือเปล่าค ร, ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกอไอไอที่ในเข้าในเลตุบาทนี่หมายถึงไม่รู้ไอที่ไอที่เมื่อคืนคุณนี้ผ่านไปใช่มครับคครั บ, รบไม่รู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีต่อไปอีกเดี๋ยวเขาจะมีขยายต่อไปไม่ไม่เอากรณีอยู่ในเลนตุบาทถ้าผ่านไปเราไม่รู้ก็ก็รัติเชษ เสียไปแล้เ <it> มืคืน like ี้ไงเกิดวัดติดถนนอย่างวัดในเมืองเดี๋ยวเดียวยไม่ดังในเมืองอย่างนี้แหละอ้าวเกิดมันเลยมันเลยสองเลเยดุบาทแต่เราเห็นเดี๋ยวเ๋ยวมันจะมีต่อไปแล้วทําความรู้สึกว่านี่พระนะจําได้เลยเงียบพระสีเหลืองเหลืองนี่เหลืองก็ดีดำไม่ดีหัวล้นอย่างนี้ย่ะแต่ลักษณะอย่างนี้พระจําได้เลยรู้ว่าเป็นพระแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีต่อไปเดี๋ยวมันเสียอีกครับเดี๋ยวมันเสียอีกเอาเอากรณีนี้ก่อนครับ อที่ภายในอุปจาราววัดเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้แม้เราไม่รู้ก็เสียใช่ไหมครับก็ไอที่อุปจาระนั่นคือไม่รู้ครับไม่รู้นั่นไม่รู้ไม่รู้คือสองเลเรตุบาทเขตวัดนี้ครับถ้าผ่านไปเสียเลยเพราะฉะนั้นรู้ก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงละขนาดไม่รู้ก็เสียได้ใช่ไหมครับคผมก็เลยจะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเป็นวัดในเมืองครับอย่างวัดในเมืองวัดโคกวัดอะไรอยู่ในเมืองเนี่ยผ้าก็ผ่านหน้าวัดหน้าอะไรแต่เราอยู่ในกุฏิแต่ได้สองเลเยอรตุบาทเราไม่ได้บอก มันเอ็งนนัไม่รู้งั้นยังเสียอยู่แล้วครับแบบนี้แสดงว่าเสียก็เสียไงครับยังวัดเกตุมหรืออะไรครับอ่าเกตุมมีถนนผ่านอ่ถ้าเขามีกำแพงบังอ่าเขาบอกว่าเราไม่เห็นไม่เป็นเลยโอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นมันต่างกันยังไงนวะถนนนันเป็นสถานที่สัญจรแสดงว่าผ้าท่องเที่ยวกันครับทงเที่ยวไม่รู้ในที่นี้นะครับสาผมคิดนะครับผมคิดว่าไม่รู้เลยหมายถึงว่า ท่านมาไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านมาไม่ไม่รู้ว่าท่านมาแล้วก็ท่านไปแล้วก็ข้าในวัดไม่มีใครเห็นเลยอ่าอ่าอ่ายังนี้จะเสียไหมก็เมื่อคืนนี้ไงท่านมาในเวลาราตรีแล้วก็ผ่านไปเลยไม่รู้เลยครับในที่นี้เมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วมาไม่รู้ไม่ใช่ว่ารู้ทีหลังไม่รู้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมอ่านใหม่นะเพิ่งผ่านไปโยกโยกเมื่อคืนนี้อนยตาตาปนะวัตตะเพทาทุกตตังนัติ สจีเริ่มแล้วนะครับสจีอาชานิตวาวะอภานังกรติเธอไม่เป็นวัฏเพศเพราะเธอไม่รู้ว่าใครเข้ามานะครับวัฏเพศไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อเธอไม่รู้อย่างนี้แหละและทำอภานกรรมไปไม่เป็นอันทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราตีนั้นนะไม่ได้เธอไม่รู้ไอ้ไม่รู้หมายถึงไม่มีใครบอกด้วยไม่ใช่ว่าไม่ไม่เห็นอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไอตอนก่อนเราผ่านมารู้ในขณะที่ท่านไปแล้วความจริงไม่เห็นเลยแต่มีคนบอกใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ยังต้องตามไปทํานี่ไม่รู้เลยแล้วทําอับปานก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะมันเริ่มละเอียดมาตอนแรกไม่รู้ไอ้ตอนแรกรู้แต่ในขณะที่ท่านไปแล้วบางทีอาจจะไปท่านเข้ามาตอนเช้าแล้วอาจจะไปรู้ตอนเย็นก็ได้ก็เสียไปแล้วใช่ไหมครับท่านมากลางคืนแล้วก็พามาบอกตอนเช้า เรามารู้ห่างใช่แล้วก็เสียอีกแล้วแต่นี่ไม่รู้เลยครับนี่ไม่รู้ไม่รู้อนนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบไปอีกนิดอย่าเพิ่งถามมันจะมีต่อไปอีกนิดนึงเอามีต่อบอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ตัสมาอธิการัติโยเขตวากาตพังเพราะฉะนั้นนะครับพึ่งอยู่ให้มากมากไว้นะครับพึ่งอยู่ให้มากมากไว้มากกว่ากําหนดไว้นะครับพึ่งอยู่ให้มาอธิการติโย พึงนับลาตีไว้มากๆเลยไว้มากๆน่ะอธิการเลยไว้มากเอาให้เกินไหมอายังอปันนักปฏิบัติถ้าทําอย่างนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดนะครับท่านแนะนําเลยอาจารย์แนะนําเลยต้องทําอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบริสุทธิ์ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่รู้ไม่เป็นไรมีกําแพงบังคิดเอาอย่างนี้ไม่ได้ครับก็ไม่รู้ยังเป็นน่ะ ไอ้แค่กำแพงมันจะมากันอไอกน้กันกันกันความบริสุทธิ์หรือกันไอ้วัดตรงนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็เขาไปอยู่ในธรรมทั้งหมดแล้วหมดเรื่องไม่เห็นใครเลยผมไปได้ยินแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้มาพูดมาใช้ไปมากแล้วครับเออท่านบอกว่าใช้ใช้ใช้ไปในทํานองของเขาหรือของของที่เรียนของเขาครับอของเขาถ้ามีกําแพงกัน้นไม่ไม่เห็นไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ใช่ตรงนี้ครับว่าแบบนี้ครับผมอ่า ปฏิบัติของอวัดวิสุทธิมัคค า, า, ารามอำเภอบ้านผือนี่ครับอ่าเข่งคัดมากมขนาดอยู่ในร่มเดียวกัน บ, บางส่วนบางส่วนเออครับบางส่วนอยู่ในร่มเดียวกันนี่ ว, วันที่สวดนะครับวันนั้นไม่ให้นับเลยครับวันนั้เ<อ>เน เ, เป็นเสียไปเลยอย่างนี้ก็ไม่เรียกเข่งขัดเข่งคัดใน ใ, ในในฐานะหรือในในใ น, ในที่ไม่ควรเข่งขันครับ <laughs> เสร็จแล้วอย่างนี้เรียก ว, ว่าหย่อนยานก็มาพูดอีกข้อนึง จากข้อที่ท่านทามาเราก็โอ้โหดูน่าเคคัพเลยเลก็เลยเป็นให้ชวนเชื่อข้ออื่นเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาข้อที่ว่าตรงนี้ครับถ้าท่านมาเราไม่รู้อืถ้าห่างเขตสิบสองศอกไปไม่เป็นไรออือถ้าเราไม่รู้ท่านเข้ามาในเขตมาใกล้ตัวเราสิบสองศอกเป็นรัติเชษฐ์ถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นวัติพิเศษเนี่ยมันมันแล้วลองมาเปรียบเทียบมันตรงกันไหมกับอรรถกถาอรรถกถาบอกสองเลเตุบาท ไม่ใช่ไอ ไ, ไม่รู้ไม่รู้ที่เข้ามาไม่รู้อ่ะครับอ่าไม่รู้ pues ไม่ร oh. ู้ครับบอกสองเลนตุบาทใช่ไหมครับครับที่ไม่รู้ไม่รู้ไอใอุปจารวัดครับด้วยอุปจารวัดไม่ใช่ไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่วัดนับจากเราไม่ใช่อุปจารวัดโอ้ยนับจากเราได้ไงอ่ะถ้านับจากเราใครเข้ามาไม่ถึงสองเลนตุบาทกับเราก็ไม่ต้องบอกไอสมุนไพท่านมงคลอยู่นู่นจุดวัดพระมาอยู่นี่คว่างตุบตุบตุสีทีถึงจะถึงอ้าวกะว่าสี่ทีนี่ยของมัจฉิมบุรุนแล้วกันใครมงคลก็ไม่ต้องบอก ใช่ครับอาวาัตเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมผมไปพูดมาเยอะแล้วครับวา่าสิบสองไหครับนี่อท่าน อ, อันนี้ท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องไปตามแกเอาเอง<ม>ท่านไม่เคยไปอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะผมขอแก้ตรงนี้นะครับ